ขันนะ้นตอนนั้นะอย่างไรเส้นทางขออารมณ์ทางวิธีการสายนี้เป็นอย่างไรนะ เ, เพื่อเราจะได้เดินทางด้วยความมั่นใจว่าเราไม่หลงทางนะสําหรับทางเส้นนี้นะทั้งนี้เพื่อที่เราเดินทางด้วยความมั่นใจเหมือนเรารู้แผนที่ว่าออจากนี้ไปตรงนี้ออกจากตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็ไปถึงตรงนี้นะ มั่นใจแล้วก็มีผู้นำทางด้วยก็ยิ่งยิ่งมั่นใจนะในวิธีการหลวงพ่อเทียนหรือวิธีการแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ด้วยตัวเองซะก่อนเมื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองและซักซ้อมในจุดที่เราเดินนั้นให้ชัดว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปถึงที่สุดของเส้นทางแต่ให้รู้ว่าเออตรงนี้เราเดินทางมาถึงตรงนี้นะ แล้วก็จะบอกว่าเออเราเดินทางมาถึงตรวนี้แล้วต่างตรงนี้ไปถึงเป้าหมายปลายทางเนี่ยอีกเท่าไใดก็พอจะมองเห็นเหมือนแล้วก็ดูแผนที่มันบอกว่าเออหนึ่งพันกิโลมาถึงตรวนี้เดินอีกเท่าไหร่ซึ่งคล้ายๆอย่างนั้นนะในทางของจิตนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นนามธรรมาแต่ว่าก็มีรูปธรรมเป็นเป็นเครื่องชี้บอกนะ ว่าตัวรูปธรรมก็าามาจากนามธรรมอันนั้นก็จึงอยากจะนำเอาเส้นทางวิธีการพูดเทียนเน่มาชี้เป็นจุดๆที่พวกเราจะเข้าใจได้ซึ่งแม้ว่าจะมีสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจลักษณะที่เป็นบริบทหรือกรณีแวดล้อมอีกมากมายที่เราสิ้นเดียวที่เราจะต้องจำเป็นต้องพูด แต่ว่าก็จะตัดไปพมันจะได้ไม่ดูลบลุงหลังทันั้นใน <c oughs> เส้นทางนะจะมีจุดสตาร์ starting point มีจุดสตาร์ตเราเริ่มตรงนี้นะนั่นในจุดสตาร์ในสำหรับเส้นทางของในวิธีการวัเทียร์นี่คืออะไร ซึ่งถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่ศรัทธาอิธิบาทอะไรเนี่ยโอ้มันก็จะไปไกลนะแต่เริ่มต้นเอาขณะนี้เหล่านี้หมายคามทุกคนมีพร้อมแล้วมีศรัทธาพร้อมแล้วมีอิธิบาศีพร้อมแล้วอ่าเป็นจุด ท, ที่เราเพียงแต่เป้อนฤทธิ์พีด ก, กวิง น, นั่นเองอ่ทีนี้ในการเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ต้อง รู้เห็นอะไรเบื้องต้นที่สุดนในตัวเราเองสําหรับที่เป็นสามัญที่ทุกคนเข้าใจได้เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องมีเรื่องของการเตรียมอะไรอย่างหลายๆอย่างอย่างที่เขาพูดถึงกันว่าต้องสร้างบุญเท่านั้นสร้างบารมีเท่านี้อะไรเนี่ยซึ่งมีการเตรียมมากมายเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ในขณะนี้ถ้าเราจะถามว่าจุดเริ่มต้นตการออกเดินทางเนี่ยเราอาศัยอะไร 1. อาศัยเส้นทางที่จะเดิน 2. อ, อาศัยผู้เดินที่มีความพร้อมหลักๆแต่ถ้าหากว่าเราใช้พาชนะกวอนหนึ่งก็ต้องมีเส้นทาง 2. มีพาณนะ3 ม, มีเราเป็นผู้เดินทางก็เพิ่มเข้ามา แต่ในวิธีการที่เข้าถึงจุดหมายไปทางของนามธรรมเนี่ยเรามีภานะหรือไม่มีมีภานะอยู่ภานะตัวนี้ก็เรียกว่ายานยานภานะเส้นทางคืออะไรเส้นทางทีเรียกว่ามัก มักที่เราเดินสมมติใาเส้นทางเส้นเนี้ยมันจะต้องเดินแปดพันกิโลหรือแปดร้อยกิโลก็แล้วแต่นี่คือเส้นทางระยะความยาวที่เราจะต้องเดินใหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลแรกเนี่ยเราจะต้องเป็นอย่างนี้สมมติวันนี้เราเริ่มหนึ่งร้อยกิโลแรกเราจะเริ่มต้นอย่างไรอืม เบื้องต้นที่สุดเนี่ยให้การเริ่มต้นที่ถูกต้องท่งานใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหนึ่งรกิโลแรกเราต้องเริ่มตรงนี้ให้ได้สัมมาทิฏฐิให้เห็นให้ถูกเพราะเส้นทางเนี่ยมันจะต้องไปเหมือนเราจะไปออกเส้นทางตรเนี้ที่จะไปกรุงเทพเนี่ยแล้วถ้าเริ่มต้นตรงนี้จะไปออกไปเลี้ยวซ้ายเลยี้ยวขวา <c oughs> ผ่านตรงไหนเนี่ยเราก็จะแผนที่ก็จะบอกแล้วก็ไปตามนั้น ทีนี้เราเริ่มต้นตรงที่ว่าในตัวความถูกต้องความเห็นเห็นถูกต้องว่าเห็นว่าแผนอ่านแผนที่ออกเดี๋ยวเห็นถูกต้องอ่านแผนที่ออกว่าความถูกต้องอยู่ตรงไหนที่เราจะต้องสัมผัส ด, ด้วยตัวเองอ่าไม่ใช่ลึกคิดๆแล้วมันจะ ไ, ไปได้ขณะนี้ให้แต่ละคนสัมผัสอะไรนะบางอย่างในตัวเองได้ไหมไปจุดที่เรา เริ่มสัมผัสในตัวเองได้ขนาดนี้คืออะไรบอยสุข้างหน้านี่มองจ้ามองหน้าหลวงพ่อหน่อยสิกลมหน้ากลมต า, มามขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างในตัว ส, สบายหรือไม่สบายเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึ ง, งเจ็บปวดอะไรหรือเป็นยังไงบ้างในรู้สึกในกายเอาว่าในกายก่อน <c oughs> รู้สึกสบายไหม สบายใช่ไหมปวดเมื่อยใจก็รู้สึกว่ายังไม่เคยเต็มร้อยใช่มไหมก็เป็นความไม่สบายนี่คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมเห็นไหมวันเป็นอย่างนั้นเห็นว่าตัวเองไม่สบายกายรู้สึกนั่งบิดเบี้ยวเบยวย้ายประโยกไปย้ายมาเน่ยรู้สึกมันนั่งรำบากอะไรเกินใช่ไหมก็ไม่สบายแล้วใจเป็นไงสบายไหยดีกว่าเดิมนะ แต่จะใหบา้วนก็ไม่ใช่ใช่ไหมนี่คือจุดเริ่มต้นของเรามีความไม่สบายเป็นพื้นฐานแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเราไม่สบายกายไม่สบายรู้รู้เราเราเป็นไม่สบายหรือเราเห็นความไม่สบายเราเป็นผู้เห็นไม่สบายหรือเป็นผู้เป็นไม่สบายโดยรู้สึกอันนี้เป็นไม่สบายนะแต่ไม่เห็นใช่ไห นะถามว่าในการที่เราเป็นผู้ไม่สบายก็เป็นผู้เห็นไม่สบายเนี่ยอันไหนถูกอันไหนผิดนี่สมาธิที่ต้องเริ่มตรงนี้นะเราเห็นความไม่สบายกับเราเป็นความไม่สบายเนี่ยอันไหนถูกอันไหนผิดเอามือกันเหมือนโยมเดินทางเนี่ยโยมเดินทางไปเห็นงูกับเดินทางไปเหยียบงูเนี่ยอันไหนถูกอันไหนผิด ีเดือ เ, เดินทางไปเห็นไฟแล้วเดินทางไปเหยียบไฟอย่าเงี้ยอันไหนถูกกันอันไหนผิดเหยียบไฟผิดถ้าเห็นไฟอ่ะถ้าเห็นไฟไเองอยงถูกใช่ไหมเพราะอะไรถึงถูก <ừ. S 1> เพราะเราจะได้ไม่ได้เหยียบเ <c oughs> งงงะอย่าไปคิดอะไรมากเอ <c oughs> เราเห็นไฟมันจะได้ไม่เหยียบไฟเราเห็นงูจะได้ไม่เหยียบงูจ้ะ แต่ถ้าไปเยียบมันเนี่ยหมายความองไปเห็นมันผิดผิดเพราะอะไรอ้อวกัดเราหรือไม่งอนว่าไฟนั่ก็ไม่ไม่เรานนี้ก็เราไปเป็นมันนะนะขณะนี้ที่ความไม่สบายกายไม่สบายใจขนาดนี้เราเปลี่ยนสมมันไฟหรือเปลี่ยนสิมันงูนะแต่แล้เข้าไปเป็นมันมันก็เป็นไงกัดเราหรือก็เผาเราแต่ถ้าเราไปเห็นมันนะ มันจะพอเราได้ไหมมีอะไรอ่าเอถ้าเราไปเห็นงูเห็นไฟนมันก็พอจะนึกออกนะว่ามันไปเห็นแล้วเป็นยังไงเพราะจะหลีกเพราะจะนึกแต่ถ้าไปเห็นความไม่สบายกายไม่สบายใจที่จะไม่เป็นมันหรือไม่เหยียบ ม, มันนะทำยังไงถ้าไปเห็นไฟหรือมาเห็นงูหลีกมันได้เนี่ยรู้จับวิธีทำใช่ไหมแต่ว่าไปเห็นไม่สบายกายไม่สบายใจเราเห็นมาแล้วเนี่ยเรารู้วิธีไม่ว่าจะ ไม่เป็นมันนะรู้จักวิธีไหมรู้จักวิธีไหมจะไปไม่ไปเหยียบ ม, มันหรือไม่ให้มันไม่เราเนี่ยรู้จักวิธีไหมไม่รู้นะตรงนี้แหละถึงมาปฏิบัติเมื่อไงก็ไม่มาปฏิบัติให้ลำบากเราใช่ไหมท่านดูท่าเห็นใจก่อนนะที่มาปฏิบัติ<ม>เพื่อจะมาเรียนรู้ว่าเห็นเขาว่าเห็นความไม่สบายความไม่สบายกายก็ไม่สบายใจมันมีมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อโยมปวดขาไม่สบายขาวันนี้กับเมื่อ ตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันต่างกันยังไงสมัยนั้นมันปวดไปยัไงปวดก็หายไหวแต่มายไม่หาไม่หมาถึงอาการปวดมันเหมือนกันหรือมันต่างกันสมัยเมื่อเล็กๆเหกับเดี๋ยวนี้อาการที่มันปวดวันนี้กับปวดวันนั้นมันต่างกันหรือเหมือนกันไม่ต่างกันนี่ต่างกันยัง หายชาให้ไวานี่ไม่ใช่ความต่างหายชาหายวายนี่เป็นเ ป, นเปนในระยะของมันนะนะแต่นี่มาถามเพือาการของมันเหมือนโยมไฟไหม้มือเมือม่อตั้งแต่โยมเล็กๆ ก, ก, กับไฟไหม้มือวันเนี้ยอาการรู้สึกเหมือนกันอเอนใช่ไหมอ่ามีเก่าถูกแล้วนะอ่าเหมือนกันนั่นแหละแส <c oughs> ดงว่ามันมันมีอาการเดียวนั่นแหละใช่ไหมแต่ทําไมเราทุกเมื่อกับมันได้ทุกวันนะ ทั้งท้งที่มันก็เหมือนกันนะมันมันเผาเราใหม่มันก็ทุกข์กับมันใหม่ทุกทีนไฟเหมือนกันนะเมื่อไม้ยี่สิปีก่อนยังไงเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ก็รู้สึกอย่างนั้นแหละนะทุกข์ก็เหมือนกันนะเมื่อเราทุกข์ตั้งแต่เล็กๆแต่เดี๋ยวนี้เราทุกข์ก็เหมือนกันนั่นแหละทีนี้ในความไม่สบายกายไม่สบายใจตัวนี้เราเห็นมันหมายถึงว่า เรารู้จักมันนะความไม่สบายต้องรู้จักว่าเขาไม่สบายกลขันเนี้ยมันเป็นอะไรอาการมันไม่สบายมันเป็นยังไงมันแสบมันร้อนมันหนักมัน่วงมันเร่ามันอื่นอัดใช่ั้มอันนี้เราเข้าเข้าไปเห็นสมมติว่าโยมไปเห็น ไปเฝ้าไข้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่ไป น, นอนรโรงพยาบาลเคยไหมเคยไปดูคนไข้นะคนไข้นี่ปวดโอน่วย อ, อะไรต่างๆนั้นเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกปวดกับเขาไหมไม่รู้สึกเนี่ยนะแต่เราเรารู้สึก <c oughs> ทุกทุกใจไม่สบายใจสมมุติลูกเรานี่นะแล้วลูกเห็นเราลูกเราสมมติถูกไอ มีดบาทหรือไปถูกเหยียบแก้ว บ, บาดแผลเวอะแวกอย่างนี้นะเอาไปโรงพยาบาลโอ้วเวลาเยบ็บเด็กเด็กมันร้องกันนะแล้วรู้สึกเป็นยงไงลูกแตงมากกว่าอ่าลูกแตเจ็บปวดเข้ามาในใจเราเ <c oughs> นี่ยนี่เราเข้าไปเป็นแต่ถ้าสมมติเอาไปตามหมอมาพอหมอมาเห็นคนไข้หมอจะเห็นลูกเราเนี่ยเขาจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างเราเป็นไหมไม่เพราะอะไร เขาเป็นหมอเพราะไม่ใช่ลูกเขาเพราะเขาเพราะไม่ใช่ลูกเขาอย่างนี้เขาเป็นหมอเนี่ยเพราะเขาเป็นหมอเขาดูว่าเออจะเย็บอย่างไรเพราะเขารู้จักอะใช่ไหมว่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยจะเย็บยังไงรักษายไงให้มันหายเพราะเขารู้ลักษณะที่รู้จักอะไรเป็นอะไรตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเห็น แต่การที่เราไม่รู้ว่าแผลนี่มันจะหายหรือไม่หายแผลนี่มันจะเกิดบัดทยักลูกเราใจหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็เกิดกังวลเราไม่เราไม่รู้ว่าลูกเจ็บปวดขนาดไหนเราไม่รู้แต่หมอเขารู้มันเจ็บปวดเพราะอะไรใช่ไหา พ, พอเขาให้ยาชาเย็ดสเสรเรียร้อยแล้วก็ให้ฮาราเซตามอนแก้ปวดแล้วเด็๋มก็หลับปุ๋ยไปเลยใช่ไหมเขารู้ว่ามันทํางนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องไม่จําเป็นต้องทุกข์แต่เราไม่รู้ใช่ไหม เราก็ทุกเพราะฉนั้นที่เราทุกเพราะอาการทางปวดทางกายบีบคั้นเราเนี่ยเราไปทุกข์กับมันเนี่ยเพราะอะไรไม่เกี่ยหมอไม่เป็นทุกข์กันเด็กอ่ะเพราะอะไรเขาจึงไม่ทุกข์กันเด็กเพราะเขารู้ว่าเออทำอย่างนี้มันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขารู้ขั้นตอนว่าโรคมันจะหายอย่างไรใช่ไหมแต่เราก็ไปเห็นแล้วมันไปทุกข์เพราะเราไม่รู้มันจะหายอย่างไรเหมือนกันน่ะ ความไม่สบายที่มันจับไข้จับขาจับหลังจับเอวเนี่ยเราวิตกกังวลกับมันหมายความว่าเราไปเป็นมันเพราะอะไรเพราะเรารู้หรือไม่รู้เพราะเราไม่รู้เราถึงไปทุกข์กับมันเหมือนหมอนี่ยเหมือนเราไม่รู้เราไปทุกข์กับลูกใช่ไหมแต่หมอรู้ว่าเขาไม่ทุกข์นี่กันเพราะเรารู้อ๋อที่มันเจ็บมันปวดอย่างนี้เรารู้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของกายแล้วรู้ด้วยว่าจะทําไงให้มันหายใช่ไหมทําไงให้มันหาย ก็บำบัดแก้ไขมันซะเวลาพีกอย่างเงี้ยก็หายละอ่ะเอ๊ยยกขายก็ยังไม่หายมันมาปวดหลังอีกอะทำไงอะ่ะเอสงสัยหลังเป็นนิ่วในไตหรือเปล่าหรือมันทําให้ปวดหลังเงนะ <c oughs> ี้นะพีดต่อลักษณะเงี้ยเพราะเรารู้บางอย่างไม่รู้บางอย่างตัวรู้แล้วเราเข้าใจเรียกว่าเห็นขบวนการที่มัน เป็นอยู่ขนาะนั้นเรียกว่าเห็นแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอาการที่มันเป็นตรงนั้นอ่ะสมมติเราปวดแข้งปวดขาปวดเล่าร้อนเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราวิตกกังวลใช่ไหมที่ยมันจะเป็นอะไรนี่เราก็ไปเป็นกับมันละตรง น, นี้เขาเรียกไม่รู้การที่ไม่รู้อาการของกายของใจเนี่ยเรือว่ายังไม่เกิดเรายังไม่เห็นทุกข์ทุกต้องเห็น ทุกต้องรู้ทุกต้องเข้าใจไม่ว่าทุกกายทุกใจก็ันทุกใจก็เริ่ดโทรมนัดทุกกายก็เริ่ดทุกขาทุกกะโทรมันนัทุกขาตรง น, นั้นว่าความไม่สบายกายโทรมันัดไปว่าความไม่สบายใจทีนี้เราเข้าไปเห็นก็หมายความว่าเราเห็นเห็กระบวนการเออทุกกายมาจากอันนี้ น, น, นี่ทำอย่างนี้มันจะหายเราก็บำบัดมันซะเราก็ไม่วิองกังวลที่มันแต่ในกรณีที่บําบัดแล้วมันไม่หายอ่ะ เพราะมันไม่ใช่นั่งขณ น, นที่มันไม่สบายมันไม่ใช่ว่าความไม่สบายไม่ใช่ว่าเกิดจากขาเน็บหรือนั่งไม่ถนัดอย่างเดียวมันมีอาการอะไรด้วยปวดเสียนเวียนก้าวล้นเนื้อร้อนตัวใช่ไหมปวดฟันแน่นเจียมูปวดท้องมันมีอาการต่อไปอีกง่รวมแล้วทั้งหมดก็เรียกว่าความไม่อะไรไม่สบายกาย ทั้งหมดเนี่ยถ้าเรารู้รวมทั้งหมดถ้าไม่รู้ทีละอาการอากาันอาการทั้งหมดที่มันเป็นอย่างเนี้เพราะอะไรถ้าเรารู้อาการมันนะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอาการเปลี่ยนแปลงของมันที่เราไม่สามารถควบคุมตามเงื่อนไขที่เราต้องการได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาแล้วก็มันก็จะต้องเป็นอยู่อย่างเนี้ย สบายบ้างสลับสบายมากบ้างสบายน้อยบ้างทุกมากบ้างทุกสลับกันอยู่นี้ตลอดเวลามันเป็นทุกขังอันนี้จังนาตาอ๋อรู้สมุทฐานของมันแล้อันนี้มันเป็นอันนี้แล้วรู้อ๋ออันนี้มันถ้าหากงั้นร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นอะไรอะ่ะเป็นขบวนการของอะไรการเปลี่ยนแปลงใช่หมเป็นขบวนการของความเสื่อมสลาย อาพาธเป็นกระบวนการของการแตกดับไม่สามารถควบคุมอยู่ในตามที่เราต้องการได้ไม่สามารถบงังคับบัญชาการที่เราต้องการได้นะสั่งมันไม่ได้นี่คือเป็นก้อนแห่งการเปลี่ยนแปลงก้อนแห่งความทุกข์และก้อนแห่งความแตกดับแต่ละเวลาแต่เราถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้ก็ว่าไปเห็นร่างกายนี้เป็นใครอ่ะเป็นเราเลื่อยไปเมาเลยทุกข์เองไงแต่คนที่มันไม่ใช่เราใช่ไหม มันเป็นอะไรเป็นอนิจจัง <c oughs> เป็นทุกขงังเป็นอนัตตารวมเรื่องทั้งหมดเรว่าสังขารนะสังขารมันจะเป็นอย่างเนี้เมื่อรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้ ว, ลวเนี่ราก็ยอมรับมันจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วรู้ว่าเป็นอนิจจังสังขารหน้าที่ของเราทําไงดียอมรับความเป็นจริงยอมรับความจริงแล้วทําไงแล้วก็เยวยารักษาดูแลเอาใจใส่มันอย่าง หมอเยียวยาคนป่วยคนไข้นะไม่ใช่ไปเยีวยาไม่ใช่ไปดูแลแบบพ่อแม่ดูแลลูกที่ป่วยพ่อแม่ดูแลลูกที่ป่วยเขาเต็มไปได้วยความมิตกกังวลเพราะไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าหมอเข้าไปดูแลคนป่วยเขาไม่วิตกกังวลเขาไม่ทุกข์ด้วยเพราะเขารู้ขบวนการฉันใดก็ดีเราดูแลกายนี้ใจนี้ด้วยความรู้เขาก็ดูแลแบบรักษาเยียวยาใช่ไหม ให้อาการบำบัดแก้ไขตามหน้าที่หมอก็เชื่อในวะิชาของเรียนให้ยาตัวนี้มันต้องหายนะเรเชื่อแต่ทีนี้ในสัมมาทิฏฐิต น, นี้ที่เราเข้าใจว่าร่างกายนี้ถ้าเราไม่เข้าใจมันมันก็จะทำให้เราเกิดความเข้าไปยึดว่าเป็นเรา เมื่อไปยึดไปเป็นเรานี่เราต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามใจเราใช่ไหมว่ามันจะต้องเป็นนี้นะเราก็ไม่เห็นด้วยกับกฎของนิจังทุกขันนั่ตาเพราะฉะนั้นตลอดเวลาเราก็แข่งขันต่อสู้เพื่อที่จะให้บังคับร่างกายจิตใจเนี่ยให้มันเป็นไปตามใจเราเกิดอะไรขึ้นบังคับไปสลมอนะ่ะลมมึงอย่าพัดไปทางโน้นนะให้พัดมาทางนี้นะใช่ไหมมันไม่มาเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เราไม่ยอมใช่ไหมเราไม่ยอมทําไงเราก็ไปสร้างพัดลมมามไม่ให้ลมมันพัดไปนะให้มันพัดมาทางเราดึงลมต่อมามาทางเราใช่ไหมนี่ขบวนการนี้ไปสร้างพัดลมมานี่เป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องอยากเรื่องอยากเลยใช่ไหมเราสร้างไม่ได้ทําไงก็ต้องหาเงิ น, นไปซื้อมาที่อยู่อาศัยทุกอย่างทุกชิ้นที่อยู่ใน ว่านในเรียนแล้วต้องการให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อเราต้องการสังขารทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไปนอย่างที่เราต้องการมันสุขแล้วมันทุกข์ทีนี้ทุกข์เพราะไปอะไรฟื้นกฎของของทำความเป็นจริงอนนี้จังทุกข์างหน้าตาเนี่ยไปติดลมอยู่เลยยังไม่ฟื้นลมเลยพอไปทางไกลแล้ว จาไปติดลมอย้่เห็นไหมดังน mm ั hmm. ้นคนไหนมีสังขารเยอะๆมีสิ่งดูแลเยอะๆเนอะโอเป็นทุกข์น่าเห็นใจคุณลุกต้องสรบแล้วสรบอีกอยู่นี้พื้นหนึ่งย่าไม่รู้วันนี้ดีขึ้นแล้วนะนั่นสังขารเยอะเนี่ยน้ำไม่ท่วงในในน้าราววันนี้นี่คุณต้องแบ่หมดเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องวางไม่งั้นคุณหนักแน่ ดีนะักชมดีนะักฝนหลวงเพราะว่าเปิดบมเนี่ยคุณยังมีโอกาสได้ศึกษ า, ไ ด, กษาได้ปฏิบัติจะปล่อยวางได้ใช่ไหมเข้าใจเป็นสังขารนี่บุญมหาศาลเลยถูกไหมไม่งั้นเราเจ็บป่วยทั้งปีเลยเพราะมันต้องแบกหนักแต่พอเราเข้าใจอ๋อมันเป็นสังขารไม่ใช่ของเราแต่หน้าที่ของเราก็คือดูแลษาไปเท่าที่มันจะเป็นไปได้อยู่ในอำนาจของเราเท่าไหร่ก็เท่านั้นอันไหนที่มันเกินอำนาจเกินความาสามารถของเราก็ปล่อยมันไป แต่ปล่อยมากๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะถามคุณวินัยว่าเนี่ยโอ้โหเขใช้ไฟใช้น้ํากันอุตตรุษนี่เดือนหนึ่งคุณเสียค่าน้ำเขาไฟถดือนะอสา ม, มื่นกว่านะ่ยหงพ่อเนี่ยโอ้สามนกว่าเนี่คุณบริหารจัดการให้มันลดคนนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยหลวงพ่อดูว่าน้ำเนี่ยบางครั้งมันจําเป็นต้องเปิดมันไม่เปิดนะไฟมันไม่จําเป็นต้องเปิดผ ม, มดว่าบางทีผมกหาสวิตต์ปิดช่วยไฟเพื่อจะเซฟไฟให้คุณนะ ไอ้ทำไงไงบางทีเด็กมันไม่ค่อยดูผมก็เอาอย่างนี้สิต <c oughs> ั้งเจ้าหน้าที่มาคนหนึงรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยในเดือนเนี้สามหมืนบาทถ้าคุณบริหารเดือนนี้ให้มันเหลือแค่สองหมืนห้านี้ห้าพันนี้คุณเอาไปเลยอ่าเอาอย่างนี้สแต่ถ้าเดือนไหนเนี่ยอัตราเดือนเนี้ยค่าไฟสามหมืนถ้าเดือนไหนมันเป็นสามหมืนห้านี่คุณต้องจ่ายนะห้าพันเนี้ย มันต้องทําแพ็กเกจอย่างนี้นะมันถึงจะไปได้เอามาเหมือนเรื่องผู้จัดการเก่าเหมือนกันทําเรื่องผู้จัดการมานานลองบริหารแบบนี้ดูนะมันก็จะทําให้เกิดกําไรขึ้นมาแหละแต่ว่าทีนี้เจ้าหน้าที่คนนั้มันก็ต้องบริหารอย่างดีใช่ไหมมันกลัเสียสต่างแต่มันบริหารอย่างดีมันมีกําไรมีกําไรออกมันไฟตรงไหนมันจะเซฟจะเปิดเกินเวลาน่ยนะเนี่ยหลายห้องมันเปิดแอรทิ้งเอาไว้เลยตอนนี้ทั้งที่เดออกมาแล้ว หลวงพ่อจะเข้าไปปิดกุญแจล็อกกุญแจเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเสเซฟไฟช่วยคุณก็ไม่ได้แต่ถ้าหาคุณจ้างเจ้าหน้าที่ไว้นะเอากุญแจให้มันนะห้องไหนเปิดแอร์ทิ้งไว้มันเปิดตู้ ป, ปิดเลยเพราะนั่นมันเป็นค่าใช้จ่ายของเขาที่เขาจะต้องจ่ายไม่ใช่เงินของคุณเพราะคุณกําหนดไว้แล้วแค่สามหมนใช่ไหมถ้าเกินอย่างนั้นหรืองต่ำอย่างนั้นเป็นเรื่องของเขาที่รับผิดชอบเขาจะดูแลให้อย่างดีเลยสอนวิชาบริหารพร้อมนี่ไายก่อนตัวอย่างหนึ่งนะแล ะ, และหลายๆตัวอย่างในกิจการในนะคุณทุกคต้องทําแบบนั้น เรื่องผักปลอสานพิษไปเห็นเมื่อวานนี้นะถ้าคุณไปซื้อตลาดเดือนหนึ่งเท่าไหร่ข้าผักที่มาเลี้ยงแขกเดือนนึงประมาณสมมติว่า 1,000 บาทอย่างงี้แนะ่แต่ถ้าหากว่าเอาผักปลอสานพิษมาช่วยครัวเนี่ยค่าปลุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่าผักเข้าเดือนนึงถ้าเราซื้อจากตลาด 1,000 บาทถ้าเอาในของเราเนี่อาจจะเหลือห้0รบาทงั้น500บาทนี้คุณเอาไปเลยตัดให้ไปเป็นคิต เออจะเข้าท่าดีแต่หลวงพ่อมาทำจริงๆพ่อทําไม่ได้แล้วน่าคิดได้บางทีกรุ๊ปแขกมันก็ไม่เหมือนกันทุกรุก่งใช่ไหมบางทีแขกไม่ได้เข้ามากเดือนมันอาจจะไม่ถึงสามหมื่นาก็ได้กําไรไปใช่ไหมถ้ามันเกินสามหมื่นเขาไม่เอาด้วยเพราะแขกเข้าเยอะเ้วยแตความเป็นจริงมันก็อาจจะมีเงื่อนไขเยอะอันนี้คือตัวอย่างในการบริหารสังขารในร่างกายเราก็เหมือนกัน ในร่างกายของเรานี้เหมือนกันเราต้องเข้าใจว่ามันไม่เป็นไปตามใจเราแต่เราบริหารมันได้แต่บางคนบอกโอ้มันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาร่างกายสังขารเนี่ยไปยุ่งกับมันเลยไป็นโรคภัยก็เจ็บก็เป็นมันไปเอ่ออย่าไปนี่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรื่องนัหนาหลวงพ่อดูแลเอาใจใส่ร่างกายดูแลเท่าไหร่มันก็เสื่อมอยู่ดีอ่ะหลวงพ่อยังยึดมั่นถือมั่นอยู่พ่อก็โดนดอกนี้เข้าเหมือนกันเหมือนกัน อ๋สมมุติเรามีรถเดินทางนะแปดพกิโลเนี่ยโอ้หเดินไม่ถึงแน่ต้องใช้รถอย่างดีวิ่งอย่างดีถ้ารถเราไปเสียกลางทางนะ่ยกิโลหน้หน้ากิโลแปดพันเนี่ยเราจะไปถึงไหมไม่ถึงนะโอ้รถมันเป็นอ น, นี่จังทุกขังใจจะไปซ่อมมันเลยคุณมีหน้าที่ก็ขี่มันไปไปถึงไหนก็ถึงนั่นพูดถูกไหมอย่างเงี้ย ไม่ถูกถ้ารถดูแลซ่อมแซมมันก็ไปถึงหนะ้ 8, ากิโลหน้าแปดพันเหมือนกันบางทีคุณขับกลับมารับคนไปได้หลายเที่ยวนะถ้าคุณซ่อมรถดีนะแต่คุณขี่มันเหยียมันลูกเดียวเนี่ยนอกจากคุณไม่ถึงแล้วคนอื่นเ้าก็เสียประโยชน์เพราะเขาไม่ใช้รถคันนี้ด้วยใช่ไหมนั้นคือวิธีการพราทําไมเราจึงเซฟดูแลรักษากาย น, นี้ไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นแต่เขาเรียกว่ารับผิดชอบเพราะร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นของเรา แต่ถ้ามันเป็นของเราสิเราทํอยางนั้นได้ใช่ไหมแต่ร่างกายนี่เป็นของใครดูไหมเออคุณตสองร่างกายคุณเป็นของใครน้ำลมไฟโอ้ไปไกลเลยนะเนี่ย <laughs> นิดน้ำลมไฟ <laughs> เออเม่ชีร่างกายของเม่ชีเป็นของใคร นั่นมันเป็นของใครรู้ว่าเป็นก้อนธาตุแต่มันถามเป็นของธรรมชาติ เ, เป็นของธรรมชาติต่อแบบปรามัดแบบนี้นะให้มันเห็นเป็นรูปประธรรมมากกว่นี้หน่อยได้ไหมมีพ่อไหมมีแม่ไหมมีพี่ไหมมีน้องไหมไม่มียกมี <laughs> <laughs> มันชีต้ต่อตลกไม่มีเกิดมาได้ยังไงอะ่ะตอมันเป็นธรรมชาติ โอ้เวชีปรามะน่าดูเลยวันนี้ต้องพูดสมมติกันก่อนเวชีอย่าพึ่งไปปรามะพูดสมมติให้มันรู้เรื่องก่อนเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีลูกมีครูบาอาจารย์ใช่ไหมดูแลรับผิดชอบเราอยู่ไม่ใช่ของเราเราเป็นของพ่อของแม่ของลูกของครูบาอาจารย์เอาที่เห็นก่อนนะของธรรมชาติแน่นอนแ่ะ มันยังมีเจ้าของนี่คือเจ้าของที่แท้ของเราถ้าสมมุติเราจะมาเนี่ยนอกจากมีพ่อมีแม่อามาก็เป็นของของใครอีกของญาติของโยมเพราะเรากินข้าวญาติโยมทุกวันใช่ไหมเขาเลี้ยงเราทุกวันเพราะเขาก็มีส่วนเป็นเจ้าของชีวิตเราถ้าเราดูแลร่างกายนี้ไม่ดีสิเฮ้ยญาติโยมก็ดูแลท่านอย่างดีเลยทาไมท่านปล่อยร่างกายท่านเจ็บป่วยไม่ดูแลแล้วไม่ชอบตัวเองเลยเพราะโยมเป็นเจ้าของก้อนธาตอันนี้ด้วย ใช่ไหมดังนั้ น, น, นถ้าเกิดว่ามาันาดูแลตัวเองไม่ดีดิเจ้าของร่างกายนี่เขาก็จะดําบักเดือดร้อ น, นเดี๋ยวพาไปหาหมอเดี๋ยวพาไปหายาเดี๋ยพาไปหมอนนู้นหมอนนี้โยงเขามีภาระเยอะแยะแล้วก็มายุ่งกับเราอีกมาวุ่นวายกับเราอีกเพราะอะไรเพราะเราไม่รับผิดชอบตัวเองไม่ดูแลตัวเองไม่รักษาตัวเองนี่คือเราทําผิดสมมุติใช่ไหมดังนั้นเองเรื่องเหล่านี้แล้วเมื่อเราเดือดร้อนคนเดียวเนี่ย มันไม่ใช่พ่อเราอ่ะนะคนอื่นต้องเดือดร้อนด้วยการที่เราเดือดร้อนคนเดียวแล้วให้คนอื่นเอาอย่างนีง้นมาเดือดร้อนกับฉันดิฉันป่วยก็ไม่เรื่องของฉันนะผู้อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่เกี่ยวข้องกันนะหน้าที่เกี่ยวข้องกันทางสังคมเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเร า, เ ป, เ, า, าเป็นของมีเจ้าของนะเป็นของมีเฉพราะฉะนั้นเวลา <c oughs> เราไปทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาจึงปรับตึงหมายเอาผิดสินผิดธรรมผิดกฎหมายเพราะไม่มีเจ้าของอย่างน้อยประเทศชาติก็เป็นเจ้าของน้ำกายนี่ใช่ไหมอันที่ไม่ที่รักษาอืมเลยคิดว่ามันจะไม่ดูเลยมันคิดว่าจะมีปันหาอยูเขาบอกเขาบอกทานเขาบอกว่ากายต้องรักษาไม่ที่เท่ากันอ๋อกายต้องรักษาใช่ นนะปัญญามันก็ผูดขึ้นมาบอกเราดูแลรักษาเพราะังนั้นเองให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะเป็นของยืมเข้ามายืมพ่อยืมแม่ยืมพี่ยืมน้องยืมญาติยืมโยมยืมประชาชนคนดูแลเราไม่ใช่พวกเราดังนั้นมีตำรวจทหารประชาชนบ้านแต่ละหลังผู้เจ้าเรามาใช้ใช้คนเป็นร้อยพันๆใช่ไหมไล่นาสายโทแต่ละอันที่จะเป็นของเราเนี้ยก็ผ่านมือคนมาเป็นร้อยพันๆจริงเราเนี้ย ช่วยดูแลรักษาเรหมดเลยดังนั้นเราจะต้องรับผิดชอบแม้ว่ามันเป็นอนิจจังลุกขังนันตาแต่ว่าคําว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นหมายความว่าไม่ไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเจ้าของโดยคนเดียวทําอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้จะกินเหล้าเท่าไหร่ก็ได้จะเล่นไพ่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เกี่ยวคนอื่นอาจจะไปผิดศีลผิดธรรมที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยวคนอื่นร่างกายนี้เป็นของฉันอย่างนี้ถูกไหม ไม่ถูกใช่ไหมอ่านั่นแหละนี่เขาเรียกว่าสำคัญผิดอ่าไม่คิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเราถึงทำได้ด้วยมเมื่อไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราปั๊บเนี่ยมันก็เลยไปทำผิดศีลผิดธรรมแต่คิดว่าร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของคนทุกคนเราจะกล้าผิดศีลผิดธรรมไหมเพราะถ้าร่างกายนี้มันมีปัญหามันป่๋ยมันไม่สบายหรือไปติดคู่ติดตารางขึ้นมาเนี่ยเราเดืดร้อนคนเดียวไหม เดือดร้อนกันไปทั่วเลยใช่ไหมนี่ดังนั้นร่างกายนี้จ <c oughs> ึงไม่ใช่ของเราเพราะนั้นเวลาโยงผู้ชายก็ดียองผู้หญิงไม่ไปผิดสินผิดทางผิดเพราผิดเมียเดี่ยก็ถึงเดือดร้อนเขาก็ถึ ง, งทางสินทางเขาก็ลงโทษทางกฎหมายเขาลงโทษเพราะไปแล้วเมิดสิทธิสม บ, บัติของคนอื่นทั้งทัที่เป็นร่างกายของเราอะ่ะแต่ทํำไมกฎหมายเอาโทษเราเพราะมันไม่ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นสมบัติของคนทุกคนแต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดอย่างนี้ เลยไปผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายยังไงเขาก็เลยเป็นทุกข์มีปัญหาอะ น, นั้นเขาบอกร่างกายนี่ไม่ใช่ให้เห็นอย่างนี้ปับ๊บเราช่วยดูแลเท่านั้นเองดูแลร่างกายนี้ให้ดีแต่ถ้าเออมันไม่ใช่ของเราไปดูแลให้มันเสียเวลาทําไมคิดอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกะนะบางคนเหมืนอมนเขาไปยืมเงินเข้ามาห้าหมื่เนี่ยเออไม่ใช่เงินของเราใช้มันเต็มที่เลยถูกไหมใช้ยังไงก็ได้ไม่ใช่เงินของเราอ่ะ คิดนี้ถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไรไ ม, เ ม, ไม่เพราะไม่ใช่เงินของเราเพราะนันต้องเป็นไงต้องดูแลบริหาร่าอย่างดีถ้าบริหารไม่ดีแล้วเป็นไงเป็นหนี้ใช่ไหมหมดเป็นหนี้ได้ใช้หนี้ผิดกฎหมายผิดจริทธรรมแลวต้องดูแลบริหารอย่างดีนอกจากได้คืนต้นให้เขาแล้วเราก็ต้องมีกำไรเอาไว้ด้วยอันนี้ก็ต้นหายกาไรขาดในส่วนใหญ่ยืมเงินเข้ามาใช่ม เราก็เหมือนกันยืมร่างกายนี้เข้ามาใช้แล้วเนี่ยต้นหายกําไรขาดอคุณงามความดีก็ไม่ได้ส่งคืนให้กับสังคมต้นร่างกายนี้ก็รักษาไม่ดีปล่อยให้เป็นทาสของโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยรักษาต้นก็ไม่ได้กําไรก็ไม่เกิดเพราะคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะแล้วก็ใช้ไปดังนั้นเองรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของเราต้องดูแลรักษาทะนุถนอมอย่งให้ต้น <c oughs> ต้น รักษาได้กําไรก็เกิดต้นรักษาได้ไหมก็รักษาร่างกายนี้มาให้เป็นโรคไปแค่เจ็บจะเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของหมอของแพทย์ของพยาบาลเขาเดือดร้อนรัฐก็ต้องสูญเสียรายได้<ม><น>ใช่ไหมแล้วก็เป็นนูย่ยโดยลมเขาก็ต้องไปเก็บภาษีของคนทุกคนค น, คนอื่นก็เดือดร้อนเดี๋ยวนี้เราเป็นเสียภาษีนะแล้วก็ประเทศชาติเป็นห น, น, น, น, นี้เกิดมาป๊บเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เมื่อก่อนเราแปดหมเดี๋ยวนี้แสนแล้วนะใช่ไหมเกิดมาปุ๊บก็เจอหนี้แล้วแสนหนึ่ง นี่เพราะเราเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นของเราก็ผิดคิดว่าไม่ใช่ของเราไปใช้ในทางที่ถูกก็ไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่ของเราต้องทนุถนอมดูแลถ้าคิดว่าไปเป็นของเราเราใช้มันอย่างไม่ถูกก็ผิดนะดังนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เราถูกต้องตามสมมุติทางโลกทางศีลธรรมนะในแง่ของปรามาตา์ในเมื่อเรารู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นทิ่จางทุกขังหน้าตาไม่ใช่ของเรา เราจึงดูแลรักษาบริหารมันไม่ให้มันเป็นทุกข์ถ้าทุกข์แล้วไปไงขาดทุนใช่ไหมอ่าบาเป็นทุนบุญเป็นกำไรถ้าหากว่าไปทำให้มันทุกข์มันขาดทุนทำให้มันไม่ทุกข์มันก็ได้กำไรทุกวันนี้เราทำได้ไหมเราขาดทุนหรือกาไรทุกวันนีเราขาดทุน ร่างทำร่างกายนี้ร่างกายมันมีทุกอยู่แล้วบริหารทุกข์ที่มันมีอยู่แล้วให้น้อยลงแต่ถ้าไปเพิ่มทุกขให้มันมากขึ้นหรือบริหารทุกร่างกายมไม่ถูกจนทุกขของร่างกายนี้ซึมไปทําให้เผาได้จิตใจด้วยขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเพราะนอกจากบริหารทุกข์ที่มีอยู่แล้วไม่เป็นแล้วยังทําให้ทุกขที่มีอยู่นี้ลุกลามไปทําให้จิตใจเป็นทุกข์อีก เพราะเราบริหารไม่เป็นแต่ถ้าเราบริหารเป็นบริหารทุกเท่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้มันเพิ่มขึ้นและขณะเดียวกันสามารถควบคุมทุกขังร่างกายมาให้เผาลนจิตใจได้ด้วยนี้เรียกว่าได้กำไรทุกข์ที่มีอยู่นี้เป็นทุนทุกที่มีอยู่แล้วนะอันนี้จังทุกขังนาฏเนี่ยเป็นทุนของเราเป็นต้นทุนของเราเราต้องบริหารจัดการเหมือนกับเรามีเขือน แล้วสามารถน้ำในเขื่อนเป็นต้นทุนนะใช่ไหมเมื่อเราบริหารจัด ก, การดีๆน้ําในเขื่อนที่สามารถเอามาค้าขายได้ทุกวันนี้เราต้องไปซื้อกระแสไฟจากไหนบ้างเนี่ยจากลาวจากพมา่าใช่ไหมเขามีเขื่อนเขามีต้นทุนสูงของเรายังไม่พอใช้เลยมีเขื่อนตั้งหลายเขื่อนแถมปล่อยมาทุกกันอีกต่างหากอันนี้จะเข้าไปเรื่องลึกเลยนะนะนั่นเราจะเห็นว่า อนนีจังทุกขังหน้าตาที่มันทำให้ทุกข์มันเป็นต้นทุนอย่างดีที่เราต้องบริหารจัดการแปลงตัวไฟไฟตัวนี้พลังงานตัวนี้ให้เป็นอะไรเป็นแสงสว่างเป็นไฟฟ้านั่นคือเป็นแสงสว่างทางปัญญาบริหารจัดการอย่างไรผู้ริเจ้าบอกสูตรเอาไว้หมดเลยในสติปัญฐาน4นั่นก็คือ1ดูแลบริหารอะไรก่อนท่านร่างกายเนี่ยท่านวางระบบบริหารไว้ถึง7ระบบเฮ้ยหระบบนะ หนึ่งบริหารตอนเช้าบริหารอะไรลมปลานใช่ไห <c oughs> มลมหายใจอันนี้หลวงพ่อขัดของพ่อแพ้พัดลมนะให้มันหมุนหน่อยก็ได้อันนี้ปอดหลวงพ่อตลอดเลยเรื่องไม่ค่อยดีนะห <c oughs> พ่อแพ้พัดลม <c oughs> ขอ้ขอคอแขอ็งเลยเลยอเอาละทีนี้อันหนึ่งถ้าบริหารร่างกายนี้ให้มีกำไรตามหลักของศิ่ปัญหาหนึ่งบริหารลมปรานนะ 2. บริหารอะไรอิบุตรสียืนเดินนั่งนอนให้พอดีให้สมดุลถ้ายืนเดินนั่งนอนไม่พอดีเป็นไงไปกเป็นโรคเจ็บโรคปวดโรคเมื่อยโรคเด็บโรคชาโรคอามาพึกเอามาพาลาดโรคลิซซีดวงโรคสาราพัดเลยเกิดใช่ไหมเพราะเราบริหาร อ, อิบุตรสีไม่ดีอันที่3บริหารอิบิบรย่อย บทเยอมีเยอะนะปับตาอาหาปากหายใจเร็วใส่ไหล่ขวางุ่มเ อ, อือยหยิบหยับจับช่วยเดินหน้าถอยหลังเป็นที่ดีบทเยอะทั้งหมดบริหารมันบริหารด้วยอะไรบริหารด้วย <c oughs> สติอาตาปีสติมาสัมะชาโนหมายวาว่าเพียนในการแก้ไขปรับปรุงให้ไม่ให้ทุกข์มันขังไม่ให้ทุกข์มันเผาบริหารไม่ให้ไม่ให้ทุกข์ร่างกายที่มันเกิดเนี่ยมันเผา แต่ถ้าหากว่ามันเกินจำเป็นมันก็เผาใช่ไหมเขาเรียกโอเวอร์โหลดความร้อนเกินไฟนี้เราปล่อยเท่านี้ว้นนะเพราะนั้นเวลาคุณไปใช้เท่านี้ว้นนะเขาปล่อยให้มาไฟนี้น220เราไปเกิดใช้240อ่าช็อตบริหารจัดการให้มันเกิดความผลนลักษณะบริหารจัดการให้ทุกเพียงแต่พอดีไม่กายทุกของกายไม่เบลี่ยนเบียนจิตทุกของเบียนทุกของจิตไม่เปลี่ยนเบียนกายเรียกว่าอะไร มัชชีมาปฏิปทารู้จักสมดุลพอดีใช่ไหมแต่นี้ถ้าเราปล่อยทุกขังกายไปบีบคั้นจิตปล่อยทุกขังจิตมาบีบคั้นกายเรียกว่าไม่เป็นมัชชีมาก็ เ, าเรียกว่าสุดอะไรสุดตรงใช่ไหมสุดตรงไปทางซ้ายก็ดีสุดตรงมีสองอย่างนะสุดตรงไปทางสุกเรขาะมะสุขาริการนโยโสุดตรงไปทางทุกเรียกว่าอจัรกกิลมถานนิยโแต่ปรับพอดีทุก กายก็เป็นเรื่องของกายเท่านั้นไม่ลุกลามเรงจิตทุกจิตก็เป็นเรื่องของจิตไม่ลุกลามถึงกายนี่เขาเรียกว่ารู้จักความพอดีแต่ว่าทางที่ถูกแล้วเนี่ยท่านบริหารทุกเพราะจิตนั้นมันปรากฏได้ก็เพราะว่าเราเข้าใจกายไม่ถูกเมื่อเข้าใจกายถูกจิตมันก็จะไม่สร้างเรื่องมันก็จะเกิดเป็นตัวที่เป็นญาณเป็นปัญญาขึ้นมา ดังนั้นส ม, มาทิฐิตัวนี้ดูแลร่างกายให้ดูแลให้ครบบริหารลมปรานเข้าออกผู้ทีเจ้าวางไว้ทึก16ระดับเลยนะไปอ่านดูอนาปาบริหารรีบุตรสียนืนยืนนั่งนอนให้พอดีจะไม่เกิดลูกไฟขัดเจ็บทางกายบริหารอินทบทย่อยให้พอดีมันก็จะไม่เกิดเวทนาตกค้างในร่างกาย เพราะว่าเขอยผ่อนคลายคอยรีแลกคอยปรับเปลี่ยนเสมอใช่ไหมเส้นก็ไม่ตึงไม่ตายเน็ตกินแขนขาก็ไม่มีเลือดลุบก็เดินสะดวก อ, อันนี้ก็คือบริหารแล้วต่อไปบริหารอะไรบริหารธาตุสดินน้ํำลมไฟช่วงเช้าพูดให้ฟังแล้วใช่ไหมดินน้ําลมไฟธาตุส่ต่อไปก็บริหารอาการ 3-2 องอายวัฒะแต่ในส่วนของผมคนเล็บฟันหนังไปถึงใส่ใส่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าจนไปถึง มัตเเกมัทลุกกรรมมันสมองในกระโหลกศรีรษะบริหารให้ดีเั็นว่าทั้ง3 2มอย่างเหมือนอะไรแต่ละชิ้นมาประกอบเข้าเรียกว่ารถนี่อาการเส้นจสองประกอบเข้าเรียกว่าคนใช่ไหมเราจะต้องเอามาชิดมาล้างมา <c oughs> แต่งมาไหนมันหักมันเสียก็ต้องเอามาซ่อมเป็นประจำถ้าอาการสามจุดสองก็ดีถ้าสี่ก็ดีพิการนี่เอาไปซ่อมที่ไหนเข็นไปเข้าโรงซ่อมที่ไหนเสียค่าซ่อมสูงเลยนะ ยังเจ้าหน้าที่ลงซ่อมก็อยู่นี่ยังคุ้นหมอคนที่เจ้าหน้าที่ลงอันนี้โปะฉาบเลกผิวหนังนะหมออะไรคนนะหมอหนุ่มถนัดทางไหนไปดูนะนาเห็นไหมอันนี้เจ้าหน้าที่ลงซ่อมโครงสร้างมนุษย์ทีนี้เมื่ออาการไซิสองอันสุดท้าย ให้บริหารในร่างกายเนี่ยเมื่อมันมีอนิจจังทุกขังนราตามันก็มีของเสียออกมาตลอดเวลาเขาเรียกเป็นซากเป็นเป็นซากที่มันเหมือนกับเวลาเราเผาขยะมันก็ออกมาเป็นซากไปขี้เท่าใช่ไหเหมือนกันเมื่ออนิจจังทุกขังนราตาเผากายันนี้มันก็มีซากของเสียออกมาเรียก ว, ว่าท่อไอเสียเรียกไอสุภาไปดูหมวดไอสุภา พิจารณาว่าร่างกายนี่มีของเสียเกิดตลอดเวลาเกิดทั้งหัวเรื่องอะไรออกมาพิขี่หมดแล้ไม่ดีนะเกิดว่ามันเสียมม อ, อ, อ, า อ, อมาทั้งหัวแล้วขี้อะไรขี้ขี้หัว อ, ออกมาทางหูทั้งมีหมดนอกจากออกมาทางจ็กแร้คของเราเนะ่ยไม่เรียกว่าขี้อื่นเไปเรียกอีกขี้เขไม่รู้มันออกมาแผงมันยังไงไงแตไปออกทางใจนะขี้เราออกทางใจเรียกขี้อะไรขี้โมโห ขี้เกียจขี้ตาดีขี้อิจฉาอ่าขี้น้อยใจเนะี่ยออกมาดังเพราะนั้นอะไรของเสียอะไรก็ตามออกมาส่วนไหนมันกลายเป็นขอโทษนะใช้คํานิยามมาขี้เนี่ยอย่ใช้ว่าอุจละหัวนมันก็ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่มันไม่นิยมอะอุจละหัวเงี้ยนะมันไม่นิยเออก็ว่าใเออเพราะมันน่าจะถูกภุษาแล้วนะเห็นไหมบริหารดูแลจัดการให้ร่างกายเนี่ยอ่อ บริหารใจการร่างกายมันก็สบายใช่ไหมจิตใจของเราพอมาด้านจิตใจท่านให้บริหารยังไงเวลาเราไปสวดหมวดด้านจิตสละขังว่าจิตตังสละรังจิตตันติประชานาติเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะวีตระขังว่าจิตตังวีตระขังจิตตันติประชานาติเมื่อจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะนี่ท่านให้บริหารอย่างนี้ สาธโธสร้างวาจิตตังสาธโธสร้างจิตตันติประชานติเมื่อจิตไม่มีห ง, งุดหงิดเมื่อจิตไม่มีอึดอัดขัดเคืองก็ให้รู้วีจาโทสร้างวาจิตตังวิจาโทสร้างจิตตันติประชานติเมื่อจิตมันไม่มีอาการหงุดหงิดไม่มีอาการปฏิฆะหงุดหงิดไม่มีอาการโกรธไม่มีอาการเหล่านี้ไม่มีก็ให้รู้จิตท่านให้รู้อาการมืนเท่านั้นเอง <c oughs> นี่คือบริหารเราจึงสร้างตัวรู้ขึ้นมาเยอะๆเพราะตัวรู้ที่ใช้เยอะมาก บริหารทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งอารมณ์ใช้ตัวรู้ตัวเดียวนะดังนั้นเราจึงทํากัาทั้งวันทั้งคืนขนาดนั้นก็ยังไม่พอใช้อีกนะนะขนาดยมุมยังไม่พอใช้ต้องเวลาตั้งแต่ตื่นนอนนะพับตาปากหายใจกินดื่มเข้าห้องน้ำห้องส้วมเก็บหมดนะเก็บตลอดเวลาเพื่อให้สร้างตัวรู้ตัวนี้ขึ้นมา เมื่อตัวนี้นี่มาเข้ามาเข้ามาเข้าเราก็มาบริหารขาบวนการทุกที่มันเกิดทำกายก็ดีใครรู้มากก็สามารถบริหารทุกทางกายทุกทางจิตให้หมดไปหมดไปหมดไปท่านใช้หลักของมันว่าทุกขกโทมนัสส า, านังอะถังขามายะว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจจะตั้งอยู่ไม่ได้อะถังขามายะโสก บ, บริเทวนังสมติกมามจะข้ามพ้นจากความโศกเศร้าพ่ได้ลําพันธ์ได้ ถ้าบริหารดีๆจะข้ามพ้นพวกนี้หมดเลยแต่จะมีอานิสงส์สตานังวิสุทธิยาทําให้จิตชำระจิตให้บริสุทธิ์ญาญาสสะอธิคมายะเข้าถึงธรรมที่เราควรจะถึงนิพพานสัจจิเกณยะเพื่อทำพานิพานให้เกิดขึ้นในชีวิตนี้ได้นี่อนิสงส์ของมันนะดังนั้นการบริหารจัดการตรงเนี้เราตึงอาศัยตัวรู้เก็บตัวรู้ตลอดเวลา ไม่ใช่มาเก็บตอนนี้แม้แต่ขยะเยะนี่เก็บให้หมดเนี่ยรู้จะกลับวันนี้ก็รู้แต่ว่าเราต้องไปต่อสู้อันหนึ่งที่ทาให้เราจับความรู้เหล่านี้ไม่ได้มารู้มาสั่งสมความรู้เล็กๆน้อยๆอาการอันนั้นคืออะไรใครใครใครนึกออกบ้าเราจะต้องต่อสู้อาการอันนั้นมันเป็นตัวสะดู ที่ทำให้เราไม่สามารถละลึกรู้อาการนึกอย่างได้ตลอดไม่สามารถสั่งสมตัวรู้ได้ตลอดเวลาอาการนั้นมาเป็นอุปสรรคออย่างอาการนั้นเราเรียกว่ า, าะะฮ ะ, า ะ, ะหลายอย่างเลยนะแต่ว่าอาการหลักๆมันคือเอาให้ตรงป่อยีริงๆเนะ มันถูกหมดอะแต่ว่ามันมีมันมีคำหนึ่งที่มันลวงพวกนี้ไว้หมดเลยคำนั้นเรียกว่านามฮะนาโอ้โหไปไกลโลดเลยนะมันครอบจักรวาลนะฮะโอ้นีนี่ๆีเห็นไหมเห็นไมเห็นไหใกล้เคียงอะเพลินอะความเพลินอะเรียกว่าอะอะไรอะอะ อวิชชาทำไมไม่ตงเปนะ้าสักทีนึ่งอวิชชาตัวนั้นอ่ะเป็นตัวที่เราต้องจัดการเพราะอาวิชชาทำให้เราดึงเผลอดึงเพลินดึงเกิดนิวรณ์ดึงเกิอดกอะไรอย่างที่ทำให้เราเป็นอุปสรรคตรงนั้นอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความไม่รู้ท่าันก่อให้เกิดสัญชาตญาณและสัญชาตญาณก็อให้เกิดราคาโทสาโมหะราฆาโทสาโมหะก็ให้เกิด น, น, นิวรชนิดต่าง <C oughs> เพราะฉะ น, น, นั้นเองตรงนี้แหละเราต่อสู้กับอวิชชานี่เรามีวิธียังไงที่จะต่อสู้กับความเผลอความเพลิน ค, ค, ความไม่รู้เท่าทันเนี่ยก็สร้างตัวรู้อย่างเดียวนะสร้างตัวรู้ให้เยอะๆเพราะว่ามันมันต้องแปลงอวิชชาให้เป็นวิชาให้ได้เพราะมันเป็นอวิชชาต้องทําให้เป็นวิชาที่จะทําให้เป็นวิชาทํางไหนทีนี้ก็ต้องมาสร้าง รู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆ ร, ยรู้ละเอียดรู้ไปเรื่อยๆนะไม่มีทางอื่นเลยนะพุทธิยาบอกไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวเอกายณูมัคโคคือเวลาตามดูกายนี่เท่ไม่มีทางอื่นเทาต้องดูทางนี้คือหนึ่งตามดูกายถ้าแต่งโมจมเท้าตลอดเวลาถ้าแต่ตื่นจมนอนสองตามดูความรู้สึกในกาย ความรู้สึกรกายกาเราเรียกอะไร <c oughs> เวทนาสาตามดูจิตจิตมันมีความโลภเป็นยังไงความโกรธเป็นยังไงความหลงเวลาจิตมันเกิดราคะเป็นยังไงจิตเป็นเกิดโทสะเป็นยังไงจิตโมหะเกิดโมหะเป็นงไงตามดูนะตามดูอาการของจิตอาการของจิตเรียกว่าอะไรเพราะอาการของกายเรียกว่าเวทนาใช่หมแต่อาการของจิตเขาเรียกว่าอะไร ธรรมารุม <c oughs> ธรรมานุปัสสนาอาการของจิตเป็นธรรมารุมเรียกว่าอารมณ์ก็ได้หรือธรรมารณ์ก็ได้เป็นอาการของจิตแต่จิตตัวมันเฉยๆเนี่ยมันจะมีอาการอยู่สามหลักคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆหรือเป็นดีและไม่ดีหรือเฉยๆหรือราคะาโทสะมโมหะมันมพัฒนาดี พัฒนาเป็นราคะไม่ดีไม่พอใจพระเป็นโทสักเฉยๆก็พัฒนามาเป็นโมหะอย่างนี้นะมันก็นพัฒนามาจากรากจากรู้เดียวกันนั่นแหละตอนนั้นเมื่อเราดูแลอย่างนี้ได้ถูกต้องเรียกว่าเราเกิดความเข้าใจเรียกว่าสัมมาทิฐิเห็นกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่ามันเป็นวัตถุอันหนึ่งเขาเรียกว่ารูป และสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยกายก็เป็นสภาวะเป็นนามธรรมเป็นพลังงานอันหนึ่งเรียกว่านามเห็นนะว่ามันเป็นรูปกับนามเห็นว่าเป็นสสารกับพลังงานมันไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราเห็นอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยก็นึกว่ามันเป็นไว้ก่อนพอนึกบ่อยเข้าบ่อเข้ามันก็เลยเป็นเป็นเป็นรูปเป็นนามนะเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจให้รู้สึกรูปมันจะรู้สึกออกมาเป็นยังไงเราจะไปนึกคาว่ารูป เปนึกถึงตัวเราอันนี้ก็ไม่ถูกนะนึกถึงคำนามนึกถึงคนผู้อื่อันนี้ก็ไม่ถูกเราจะสัมผัสรูปนามอย่างไรที่มันเป็นรูปนามขณะ น, นี้ในร่างกายเรารู้สึกเป็นไงสบายหรือไม่สบายถามอีทียุกยี่ยุกี่ไปเนี่ยแสดงว่าไม่สบายอะไรใช่ไหมที่เข <laughs> ามไม่สบายนี่เป็นอะไรเป็นรูปหรือเป็นนามความเย็นความตึงความปวดความเมื่อยที่ไม่สบายเนี่ยมันเป็นรูปหรือเป็นนาม ในทีนี้หมายถึงความไม่สบายกายก่อนไอ้ความไม่สบายกายนี้เป็นลูกหรือเป็นนามเป็นนาม น, น, ามนี่นักเรียนใหม่ตอบเป๊ะเลยไม่ต้องสไม่ต้องรังเลแต่ว่าถูกผิดไอ้เรื่องหนึง่งใช่ไหมอันนี้ใช้ได้นะฮะตอบเป๊ะเลยไม่ต้องลังเลแต่ถูกผิดเอาไว้เรื่องหนึง่งไม่ต้องวา่า <c oughs> อ <c oughs> เอเพราะที่เราเปลี่ยนไปมาคือรูปใช่ไหม อะไรก็เตรียมที่มันแสดงออกมาไม่สบายเนี่ยเป็นรูปแล้วเราไปคิดว่าความไม่สบายเนี่ว่าเป็นเราเนี่ยมันเป็นอะไรต่อให้ดีนะเราคิดว่าความไม่สบายกายเนี่ยเเราไม่สบายทำไมหลวงพ่อต้องเอาเรามานั่งฟังทรมานอย่างเงี้ย ตามบุตรฉันไปนั่งคั่งใครพูดคนเดียวเป็นชัช่วโมองอช่วโมงเงี่ยนวันหลพ่อพูดอยู่ได้เนี่ยนึกลำพังนะเกินนีไรสถานคือคืนนี่ยขึ้นมานี่ยเป็นอะไรฮ่เป็นอะไรฮะโอ้ไม่ชีต่อมาเราไม่เข้าทาสักหลายเลเ <laughs> สียฟอร์มหมดเลยเสียฟอร์มไม่ฉีหมดเลยนะตั้งสติเลยเดี๋ยวนตั้งสติต่อนอนเป็นอะไรคิดอย่างเงี้ยเป็นนามรูป อ่าไม่ใช่นามมันเป็นนามมารูปเพราะมันเป็นความคิดใช่ไหมมันเป็นนามแต่ว่ามีรูปอยู่นั่นคือรูปว่าเราว่าเขาอยู่ในนั้นด้วยเป็นนามมารูปทีนี้อีกคนหนึ่งเจริญสติมานานอ๋อเนี่ยไอ้ความคิดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เราเนี่ยไอ้ความปวดมันก็ไม่ใช่ไอ้ความคิดที่ว่ามุ่งหยินลมคามมันก็ไม่ใช่เรารู้ตัวรู้เฉยๆนี่เป็นอะไรอ่าเนี่ยต่อเป้เลยเป็นนามล้วนๆอ่ามันเป็นตัวรู้รู้ว่าคิด ย, งงย่งเงี้ยเขจะไม่ใช่รูปไม่ใช่น้ำเปลวเพลวนะก็ยังปีนามมารูปอยู่นั่นแหละคือสมุทัยนารูปมันก็ไม่ไม่ใช่สมุทัยของทุกน้ําก็ไม่ใช่สมุทัยของทุกแต่ตัวรูปนา ม, มารูปเป็นสมุทัยของทุกรูปมันก็เป็นปรมาสสน้ําก็เป็นปรมาสแต่นา ม, มารูปเนี่ยมันไม่ใช่ปรมตส์มันก็เป็นสมุทัยคือเป็นเหตุให้เกิดทุกเนะี เนี่ยพอพอเรารู้อย่างนี้เข้าจนกระทั่งฝึกทุกวันทุกวันจนกระทั่งรู้ตัวเห็นตัวเองเวลาถูกด่ามาก็เฉยสบายมากเพราะว่าด่าไม่ถูกเราไปถูกใครถูกรูปถูกนามอย่ามปถูกกูก็แล้วกันนะมึงด่าดีไาถูกกูก็แล้วกันถ้าถูกกูก็เป็นเรื่องเลยเนอะดีแล้วถูกรูปถูกนามเวลาเขาด่ามก็ยิ้มเฉยเลยใช่ไมเมื่อด่าไมไม่ถูกกูหรอกไอ้กูจะด่ายังไงให้มันถูกกูนี่นะ ตรงนี้เรียกว่าคนนั้นได้อะไรได้หนึ่งหนึ่งร้อกิโลแรกแล้วเรียกว่าสมาธิิสบายแล้วยังได้ทีนี้สบายแล้วนะด่าไม่ถูกกูนี่นะอะ่มันถูกแต่ใครอ่ะถูกแต่ลูกกับน้ำแต่เมื่อไหรเผลอมันถูกใครถูกกูแล้วทีนี้เป็นเรื่องเลยมึงด่ากูอ่ ะ, อะใส่เลยนะนี่เห็นไหมเผลอไม่ได้ถูกกูเลยแต่ถ้ามีสติอยู่ไม่ถูกอ่าถูกลูกกับน้ำ เพวันนั้นอย่าเผยสติถ้าเผยสติพมื่อไนี่ขาคาถาหลุดเลยยิงเข้าเลยว่ากันว่าโป้เลยนะเพราะนั้นต้องท่องคาถาสติเอาไว้ถ้าเราเขายิงเข้าเลยเขาด่าเราไม่เข้าไปใจไปถูกรูปถูกนามเท่านั้นไม่ถูกเรายิงมาเท่าไหร่ฟันไม่เข้ายิงไม่ออกเลยถ้ามีสติเห็นไหมเพราะฉะนั้นแค่เรื่องเดียวเรื่องนี้นะถ้าโยมเข้าใจนะคุ้มเลยแหละไม่ต้องเอาเยอะกว่านี้แหละ เรื่องมรรคอื่นสบายมากขอให้ได้มรรคสมาธิดีให้เข้าใจอย่างนี้นะนี้คือลักษณะของการเข้าใจรูปและนามเข้าใจเรียกถ้าสมมุติว่ายกเข้าใจวันนี้เนะี่ยโอ้โหวิเศษมากเลยนะ <c oughs> พอมาพูดได้ละเอียดมากนะอทํำไมเข้าใจไม่ต้องไปฟังที่ไหนหรอกไม่มีทางเข้าใจเลยก็นนะเดืกันเพราะฉะนั้นเ <c oughs> บื้องต้นเนี่ยเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะ นี่นพูดภาษาธรรมดาที่สุดแป็นง่ายๆเลยแล้วก็ทําไปสังสมตัวรูปตัวเดียวก็ดูแค่สองอย่างรูป ก, กนำนามแต่เมื่อไรถ้าดูไม่ถูกมันกลายเป็นอะไรกลายเป็นเราหรือกลายเป็นกูขึ้นมาถ้าดูมันถูกมันก็กลายเป็นแครรูป ก, กนำนามที่นี่จะทํางานให้ดูมันมันถูกตลอด <c oughs> ก็ให้มาฝึกฝนทําความเ่อาใจ ให้กายกับใจอยู่ด้วยกันอย่าให้มันคิดเรื่องอดีตใอนาคตอันนี้ตัวบริบทของมันน่าช่วยนะคือตัวแวดล้อมกรณีแวดล้อมของมันช่วยให้เราเข้าใจว่าเมื่อไรกายกับใจมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้มีความคิดอเวลากายกับใจมันออกจากการความคิดมันเกิดเมื่อไรความคิดมันเกิดมันพอก็ถูกกระทบป๊อถูกกูเลยนะกายกับใจแยกกันไปแล้วเขายิงเข้าเลยถ้ากายกับใจอยู่ด้วยกันเขายิงไม่เข้าเข้าใจไหม มันยังเป็นรูปเป็นเป็นรูปเป็นนามอยู่ไม่ได้ถูกเราเหรอกแต่เมื่อไรมันแยกย่ากกันนะยิงเพราะฉะนั้นคาถาตัวรู้เนี่ยมันเป็นคาถาอย่าให้หลุดทีเดียวเมื่อไรมยคาถาเดวนี้หลุดตายเลยถูกยิงเข้าวันนี้ถูกยิงหลายครั้งหมถูกยิงหลายครั้งเข้ากี่ครั้งไม่เข้ากี่ครั้งคงจะรู้แก่ใจใช่ไหมอ่าตรงนี้รู้ใครรู้มันก็เลยกัน ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องที่มาโกโหวพวกพกลมกันได้นะเป็นเรื่องจริงที่สัมผัสเข้าไปจริงๆเรื่องสูงเรื่องทุกข์เรื่องที่มันสัมผัสได้จริงๆริงพระพุทธเจ้าท่านแต่รู้แล้วก็มาบอกเราเราก็มาทําตามเพราะนนั้เรื่องนี้อามาทำเรื่องนี้มันสนุกชีวิตของเรามันก็เลยไม่ทุกข์เราก็เลยอดไม่ได้ที่จะบอกกันแล้วลองไปทําดูบริหารแค่นี้บริหารเนี่ยมันปวดทุกข์กายทํางานให้ทุกกายที่มันมันพออยู่ได้ ไม่ให้มันเกินไปจนไปเปลี่ยนเบียนจิตอ่ายมข้หลังเข้าใจไหมอ้าเข้าใจเข้าใจแล้วก็น่าจะพอแล้วเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจของพวกเราท้งหลายในการที่จะนําไปวิวัตพัฒนาให้เกิดเป็นสติสมาธิปัญญาสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่เห็นอยู่นี่ ให้ชัดแจ้ด้วยการทุกคนทุกทางถือ